วันนี้จะเทศเรื่องสมาธิให้ฟังสมาธิคือความตั้งเที่ยงตั้งมั่นของใจหรือว่าใจเป็นหนึ่งหรือใจสงบใจไม่ฟุ้งซ่านอันนี้แหละเรียกว่าสมาธิ คือใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวไม่คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆต่างเที่ยงต่างมั่นอยู่อย่างนั้นเราจะอยากอยู่ให้นานเท่าไหร่ก็นานได้อันนี้ก็เรียกว่าทำสมาธิเป็นแต่สมาธิมีอยู่สามขั้นความสงบมีอยู่สามขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิ คณิกาสมาธิก็คือสมาธิของพวกเราที่ยังไม่ได้ฝึกหัดน่ะเนี่ไปตามเรื่องตามราวคิดนั่นคิดนี่แต่ ว, ว่าสงบนิดหน่อยกลับมาสงบวับลงไปก็หายไปออกไปคิดเรื่องใหม่ต่อไปนั่นนี่อยู่งั้นนี่เรียกว่าคณิกาสมาธิคือสมาธินิดหน่อยเป็นสมาธิอยู่แต่ว่าเป็นสมาธิน้อยคือสมาธิของคนธรรมดาสามัญทั่วไป อเกิดมาต้องมีสมาธิพวกนี้เน้วขั้นนี้กะสมาธิสมาธินิดหน่อยสมาธิไม่มากขั้นที่สองคืออุปจารสมาธิสมาธิขั้นนี้เกือบจะเป็นฌานแล้วแต่ว่าเข้าๆออกๆระหว่างฌานกับสมาธิสามารถทําให้เป็นฌานก็ได้เป็นสมาธิก็ได้ อืมแต่ก็มีความรู้สึกตัวอยู่รับรู้ได้อยู่นี่แหละคิดนีกก็เห็นว่าไม่สงบดีแต่ก็เห็นความรู้สึกของเจ้าของได้ของตัวเองได้คือมันไม่วางทั้งหมดมันยังยึดอยู่มันยังมีฟุ้งซ่านอยู่ภายในนิดหน่อยนี่ เราก็จะเห็นอย่างที่เรานั่งสมาธิเดี๋ยวนี้เราก็อยู่ในขั้นอุปจารสมาธินี่แหละก็เห็นใจของเจ้าของคือเห็นใจของตนเองว่าสงบหรือไม่สงบทำไงถึงจะสงบเราก็ทำเรื่องนั้นเส้นกาหนดลมหายใจให้จิตสงบใจก็สงบจริงจริงจิตก็สงบจริงๆ แต่ว่าสงบยังไม่ถึงอปนาสมาธิสมาธิขั้นที่สามสมาธิขั้นที่สามนี่แต่งเอาไม่ได้แต่งไม่ได้อยากได้อยากเป็นทาไปเพื่อจะให้ได้สมาธิขั้นนี้มันก็ไม่ไปเรามีหน้าที่ทำได้เพียงอุปจารสมาธิเท่านั้น ไม่สามารถทำอัปปนาสมาธิให้ลงไปตามนาดของเราได้มันเป็นไปของมันเป็นไปของมันเองมันเป็นไปของมันเองมันสงบลงของมันเองมันวางลงของเด็กเหลือแต่รู้อันเดียวมันวางลงมดทุกอย่างเลยความรู้สึกภายนอกไม่มีเสียงก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นภาพเห็นรูป ใจก็เหลือเต็ดผู้ลูกไม่มีความสงบใดที่จะเสมอเหมือนถ้าได้ถึงขั้นนี้ดีกว่าอัปนาสมาธิแต่งเอาไม่ได้สมาธิขั้นนี้มันเป็นของมันเองเราทำอุปจรารสมาธินี่เราให้ดีให้เต็มที่ให้สงบอย่างยิ่งแล้วมันก็วางลงไปจนถึงเป็นอัปนาสมาธิ ไม่มีความรู้ไม่มีความคิดไ ม, ม่มีความเห็นอะไรเลยแต่มีสติอยู่ตรงไรตรงหนึ่งท่านเองมีสติอยู่กับลมมันก็เป็นข้อมันด้วยนะเราไปแต่งไม่ได้เลยนี่แหละสมาธิขั้นที่สามนี้กาอุปจาระเราสามารถทำเองถ้าปรับปรุงให้เปลี่ยนไปได้ แต่อัปนาสมาธิมันเป็นไปของมันเองได้ที่มันก็สงบมันก็วางของมันเองนี่แหละเราฝึกอยู่นี้เราฝึกเพื่อที่จะให้ได้อปนาสมาธินั่นแหละอปนาสมาธินี่ถ้าเราออกจากสมาธิคั้นี้ได้เอามาพิจารณาไป พี่นาการจะเห็นชัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างพิี่นาทุกสมุทัยโวดมากเมลยเจียมแจ้งขึ้นมาในใจสบายขึ้นมาในใจเบาขึ้นมาในใจวางได้ในใจเลยวางได้เลยในใจของเรานี่วางได้นี่แหละสมาธิมีอยู่เพียงสามขั้นเท่านี้ ถ้าเราสามารถทําได้ก็ทำวิปัสนาคือพิจารณาแต่เวลาพิจารณาเนี่ยอาจาไม่ได้เอาอัปนาสมาธิมาสอนเอาอุปจลัสมาธินีน่สอนลงไปว่าให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตก็เห็นตามไปก็าวางได้อย่างนี้นะมันก็วางได้บางคนก็หยอบเข้าไปในอัปนาสม า, าธิถอยออกถอยเข้า ตรงนี้แหละที่มันได้มากได้ผลก็พิจารณาก็ตรงนี้แหละตรงอุปจารสมาธินี่เอามาพิจารณาแต่ว่าถ้าได้กําลังเต็มที่นี่คืออัปนาสมาธิได้ว่ามีพลังกิตานุภาพมีพลังมากมีพลังกิดสูงอ่ะอุปจารสมาอัปนาสมาธินี่พลังกิดสูงมาก เอามาเพ่งพิจารณาสิ่งใดในตัวตนของเรานี่ก็สามารถเห็นตามเป็นความจริงมัดทุกอย่างเลยจนปล่อยวางได้จนหมดความยึดถือในตัวตนได้เลยนี่แหละนี่ว่าเรื่องของสมาธิเป็นอย่างนี้สมาธิทําได้ทุกคนผู้มีจิตมีใจอยู่นี่มีกายมีใจอยู่นี่สามารถฝึกสมาธิได้ตลอดสามารถฝึกสมาธิได้ทุกคน เป็นทางนำตนให้ออกจากทุกข์ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าสมาธิก็มีเสื่อมได้นะทําไม่ถูกก็เสื่อมได้เหมือนกันถ้ามันเสื่อมแล้วเอาคืนยากมากยากยากสุดจะยากเลยมันอ่อนกำลังลงไปแล้วเราจะเอากลับคืนมาให้มันดีมันอย่างเดิมนี่ยากมากต้องระมวดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลา นอกจากจะรักษาให้มันสงบอยู่ตามธรรมดาของมันแล้วเรายังรักษาอนาคตของมันคือว่าที่จะไปวางลงไปทิ้งลงไปหรือสงบลงไปที่เราบอกว่าเออให้วางให้วางก็หมายคองวางยึดถือวางความยึดถือได้แต่อันนี้ไม่ใช่กำลังของอัปปนาสมาธิมันเป็นกำลังของอุปจลัสมาธิท่านเองพอวางหยิมก็วางปับ๊บ พอวางพร๊บมับก็หล่นตับลงไปในกิจของเราเราก็รู้แล้วโอ้เราผ่านมาถึงจุดนี้แล้วใจเราสบายสงบเยือกเย็นเรียกว่าเรียกว่าได้ธรรมะแต่ไม่ใช่ว่าสมาธิอย่างเดียวนะหมายว่คุณธรรมขึ้นไปนะเราก็ได้คุณธรรมขึ้นไปการพูดเรื่องสมาธิก็มัน อธิบายไว้แต่ละท่านและคนก็อธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้สอนได้บอกได้เทศนาให้กันฟังได้แต่ว่าเวลาทําเราก็ทําของเราเองที่จะให้มันได้อัปนาสมาธิมันก็ได้ของมันเองเพราะาอะไรเพราะาอุปจลรสมาธิมีกําลังเก่กล้าแล้วก็อัปนาสมาธิก็เกิดขึ้นนี่แหละ เวลามันเกิดขึ้นมันไม่มันไม่เห็นตัวตนอันนี้เลยนะมันไม่เห็นตัวเห็นตนเห็นอะไรทุกอย่างเหล่านี้เลยมันไม่เห็นมันเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียวถ้ามันเป็นอัปนาสมาธิมันเหลือแต่ผู้รู้อย่างเดียว ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีแข้งขาไม่มีเท้ามีมือไม่มีหัวใจไม่มีสมองไม่มีอะไรมีแต่รู้อย่างเดียวนั่นแหละนี่ ว, ว่าจิตของเราเข้าถึงสมาธิเต็มที่แล้วเข้าสมาธิมากเข้าสมาธิสูงพอถอนออกจากสมาธิมันจะขอออกของมันเองนะไม่ใช่เราไปบงังคับให้มันออกนะ มันออกข้มันเองเพอมันออกนี่ก็เราสามารถเอามาพิจารณาทันทีพิจารณาอะไรพิจารณาตัวตนนี่แหละธาตุขันธ์ของเราเนี่แหละว่าเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้เป็นของต้องแตกดับไปในที่สุดเราก็เห็นอยู่แล้วผู้คนทั้งหลายที่เกิดมาหรือว่าสัตว์สิ่งตลาง ที่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็สลายมันก็สลายไปหมดอืมมันไม่มีตัวตนแม้ตัวเรามันก็เห็นชัดลงไปว่าไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่านี่ของเราเป็นเป็นสิ่งอย่างนี้ตลอดไปตลอดการมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้มันก็รู้เห็นชัดเกณฑ์ขึ้นมาในใจมันก็วางความยึดมั่นถือมั่นเป็นผลีบุคคลในอุตถศาสนา เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคาเป็นพระนาคาเป็นพระลรหันภูมิใดภูมิหนึ่งหรือวยชั้นใดชั้นหนึ่งในสี่ชั้นนี้นะถ้ากิจของเรามันสงบแล้วพิจารณาก็เห็นชัดถ้ากิจไม่สงบพิจารณามันก็ไม่ชัดเื่อนเราใส่แว่นนะฮะแว่นสายตาก็ใส้อ่านหนังสือก็ได้ แว่นทางไกลก็ได้มองไกลๆก็ได้สายตาสั้นก็มองไกลๆได้ใส่แว่นเอานูนี่มันทำให้จิตใจของเรานี่เบิกบานเต็มที่เลยแหละถ้าไปถึงสมาธิขั้นนั้นแต่ว่ามันไม่ถึงที่สุดของการปฏิบัติมันเป็นการเดินทางมาถึงจุด นี้ทีเดียวแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่มันสุดสิ้นซึ่งกิเลสตัญหาต่างๆมันเป็นเพียงสมาธิเท่านั้นเองเป็นการให้กำลังแก่ใจให้กาลังแก่กาลังเกิดกำลังปัญญาพอเราไปพิจารณามันก็ชัดเจนเห็นแจ้งอันนั้นเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตา อันนั้นจึงเป็นการที่เราจะเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานถ้าใจจิตเรามีกำลังแล้วเราพิจารณาก็เห็นชัดก็วางได้วางอะไรวางรูปขันเวทนาขันสังขารขันวิญญาณขันเนอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ น, นี่แหละพิจารณาตัวนี้รูปก็คือตัวเรามาพิจารณาที่ตัวเราตัวเราประกอบส่วนด้วยอะไรบ้าง ประกอบส่วนด้วยดินด้วยน้ําด้วยลมด้วยไฟอ๋อนี่ว่าร่างกายตัวตนเหนือ ว, ว่าลูกน้ำอบไรนี้เห็นน้ําก็คือเห็นตัวตนของเรานี่อีกันแหละเวทนาเนี่ยใครเป็นผู้ไปเวทนากับตัวของเราเนี่ย ไ, ไปรู้เวทนาใจของเราเนี่ย ไ, ไปรู้เวทนา เวทนาคือความสวย อ, อารมณ์เนเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารอันนี้มันเป็นภาษาบาลีฟังก็ไปเข้าใจยากหน่อยรูปก็คือร่างกายของเราทุกส่วนเนื้อหนังมังสาตลอดตัว ต, วตนเนี่ะเรียกว่ารูปเวทนาก็คือความจำได้มาคือความ เวทนาคือความสวยอารมณ์อารมณ์เป็นสุขอารมณ์เป็นทุกข์อารมณ์เฉยๆนี่สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดนึกปรุงแต่งนี่วิญญาณเป็นผู้รู้นี่แหละมันมีอย่างนี้เวลาเราเห็นชัดอ่ะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอ่ะไม่ว่ารูปหรือน้ำไม่ว่ากายหรือใจ วางหมดทุกอย่างวางความยึดความถือได้หมดทุกอย่างไม่ยึดว่าเป็นตัวเราของเราอีกแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปทันจึงเปรียบไว้เหมือนฟองสบู่หรือเหมือนฟองน้ําน้ํากระทบฝั่งมาเกิดฟองขึ้นมาก็เป็นต่อมขึ้นมาไม่นานก็แตกเปาะแปะ้เปาะแเป้ปปไปหมดอืม ตัวของคนเราก็เหมือนกันเกิดมาในโลกนี้ตายตั้งแต่ยังหนุ่มก็มีตายตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่ก็มีคลอดออกมาแล้วตายทันทีก็มีตายตอนอายุมีอายุมากขึ้นเจ็ดปีสิบปีก็มียี่สิบสามสิบก็มีหกสิบเจ็ดสิบก็มีแปดสิบร้อยก็มีตายแตกสลายนี่แหละกิเลศ มันก็อยู่ในใจนี่แหละมันไม่อยู่ที่อื่นหรอกถ้าเราสลายอารมณ์เหล่านี้ออกไปจากใจได้ไม่ให้ใจของเราขัดข้องอยู่หรือติดพันอยู่กับอารมณ์เหล่านี้หรือเรื่องเหล่านี้ไม่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เลยวางมดจิตเราวางได้กระทั่งละวางรูปของเราได้ ไม่ยืดติดไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอันนี้ไม่สำคัญมั่นหมายว่า น, นี่เราคือตัวเราของเราเราไม่ยึดไม่ถือเราปล่อยวางเราละเราเลิกเราทิ้งก็ได้ดเราทิ้ง ทิ้งลูกเวทนาธนดาสังขารวิ ญ, ญญาณปล่อยทิ้งไม่ยึดไม่ถือจใจเราก็ละเอียดขึ้นดีขึ้นสบายขึ้นหรือทีอ่เองหนึ่งก็มีมากมีผลนั่นเองถ้าระวังขันห้าได้หมดมันก็ไม่มีไม่มีอะไรจะเข้าไปยึดถือเอาแล้วมันก็ถึงที่สุดของการปฏิบัติถ้าวางขันห้าได้จใจเราไม่เป็น โกรธไม่โลภ ไ, ไม่หลงไม่อิจฉาทิสยาไม่มีความที่จะผูกโกรธไว้เลยมันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติขอให้เข้าใจว่าขันทั้งห้านี่เป็นของหนักหนักยังไงหนักที่เราจะต้องบริหารมันให้อยู่ ให้เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาไม่ให้แตกไม่ให้สลายขออยู่เป็นไรก็กลัวแต่าตายเป็นไรก็กลัวเธตายแต่ถ้าวางได้แล้วมันไม่กลัวสักอย่างตายก็ตายแต่ ถ, ถึงเวลาก็จจำเป็นขอให้ตั้งใจให้ทำความเข้าใจว่า ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่วิญญาณคือผู้รู้นี่เมื่อกายแตกทำลายไปผู้รู้นี่ก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เรืยอว่าจิตของเราก็อยู่ในกายนี้ไม่ได้อีกอยู่ไม่ได้เราก็พิจารณาออกไปจากกายนี้พับทันทีเลย พอออกจากนี่ก็ไปสู่คติดีบ้างชั่วบ้างไปเราทําบุญทํากุศลสร้างสม ค, คุณงามความดีอะไรไว้อันนั้นแหละจะเข้าให้ผลแก่ใจเราทันทีหลังจากเราใจออกจากกายนีิว่างกายแล้วพิจารณาปักวางปับ๊บบอกไปบุญกุศลหรือบาปอากุศลก็ให้ผลตอนนั้นแหละตอนที่จิตเราวางจากกายเข้าไปปับ๊บมันก็ ยึดเอากรรมดีกรรมชั่วไปเลยแบบนี้กรรมดีที่ทําไว้ก็รอก็รอกรรมชั่วที่ทําไว้ก็รอแล้วแต่จิตจะไปยึดเอาตรงไหนถ้าไปยึดเอากรรมดีปั๊บกรรมชั่วเข้าให้ผลไม่ได้เราก็เสวยสุขในที่ผสมบัตรแต่ถ้ากรรมชั่วให้ผลคือจิตเราไปยึดเอากำชั่วปั๊บเราก็ต้องไปสู่นรกนี เพราะนั้นท่านถึงให้พิจณาให้นึกกุตโธ ท, ทมโมสังโฆก่อนตายให้นึกคุตโธนะแม่ึกุตโธนะพ่อให้นึกกุตโธไว้นึกคุตโธไว้คนที่นึกกุตโธได้ร่างกายก็ไม่กระสับกระสายไม่พลิกไปพลิกมาไม่เกือดร้อนอะไรลืมตาแป๊บๆอยู่หน่อยหนึ่งก็หายวับไปนี่กาทางออกจากทุกข เรามาใช้ขันนี้เราจะออกให้สบายมันยากแต่ถ้าเรามานึกคุดโทไว้หรือว่านึกถึงลมหายใจหรือมักขนหรือว่าคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของเราเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงคุณธรรมที่เราบำเพ็ญความเพียรมาจิตเราก็ออกงาง่ายไปวับไปเลยเหมอนนอนหลับเนี่ยหลับไปเลยคนเราก่อนตายท่านนึกถึงคุดโทได้ ก็เรียกว่าได้ความสุขล่ะในชีวิตนี้ต้องได้ไปสวรรค์แน่นอนไม่ได้ไปหรอกนรกนะถ้าจิตเรายังมีความยึดความเรายังมีความยังมีพุโทโธยังมีธรรมโอยังมีสังโฆยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีวิธีการยังมีการปฏิบัติอยู่ภายในอยู่มันก็วางวับออกไปสนิงเงท่านี้แหละ ไม่ไม่มากอะไรมีอยู่คนคนหนึ่งทุเรนทุลายจะตายโอดินไปดิ่นมาลูกนะเยอะมีจะแต่งตัวแบบโผลเน็กไทงามๆใส่เสื้อสูททั้งนั้นเลยยืนล้อแม่อยู่แม่ทุรนทุลายพยาบาลก็เลยเรียกอนิมวลอัตมา ซึ่งอัตมาไปทุลแล้วก็เดินเข้าไปในห้องพักที่โรงพยาบาลเอกอุร อ, อัตมาก็ไปพักอยู่ที่นั่นรักษาตัวอยู่ที่นั่นแต่ว่ารู้จักคุ้นเคยกับพวกพยาบาลพวกเจ้าหน้าที่เขาเลยกว่าหลวงพ่อไปดูคนป่วยใกล้ใจจะขาดแล้วอัตมาก็เลยรีบเดินไป เข้าไปในห้องกาเห็นลูกโอ้ลูกเต้ามีแต่คนที่ทำงานดีๆทั้งนั้นเลยมีแต่คนมีแล้วก็มีบรรมีทั้งนั้นแต่ไม่สามารถช่วยแม่ผู้เสอยตายได้เลยเพระอาตมาเข้าไปอาตมาก็บอกว่าให้ทุกคนถอยออกไม่ต้องทำอะไระก็ถามว่ายายรู้ทางออกจากทุกข์หรื อ, อยัง ถ้ายังไม่รู้ให้นึกพุทธโธนะให้นึกถึงพุทธโธไวอาตมาบอกงี้ให้นึกถึงพุทธโธพุทธโธไวในใจโถรถที่เตรียมไว้ที่จะมารับศพไปจอดอยู่ข้างหน้าแต่ยายผู้ที่กระเซากระสายนั้นพอมานึกพุทธโธในใจยังพอนึกได้อยู่ นึกผทนในใจหายไม่ตายเลยมันกับปกติเดิมไม่ตายโอ้อัตมาก็เกือบดังไว้แล้เดวนนไม่ตายในทันทีซึ่งเขาเตรียมไว้ว่าจะมารับศพก็ต้องถอยออกต้องไปเขาก็ให้กลับบ้านได้กลับมาบ้านได้สามวันจึงตายนี่ เรไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกคนต้องหารเรานี่แหละไปรักษาอยู่โรงพยาบาลด้วยกันพยาบาลเอกุดอดนี่แหละคนเราถ้าแล้วนึกถึงศีลถึงธรรมได้อยู่นึกถึงคุณงามความดีของตนเองได้อยู่มันก็ไม่ตกต่าถ้าเรามีสมาธิเราได้สมาธิจิตเราเป็นสมาธิเราก็ไม่ตกต่า ผู้ที่กีดเป็นธรรมที่แล้วนี่ไม่ไปส่วนใบญาผิแต่ไม่ใช่ทุกชาติที่เกิดนะเพราะว่าตายปั๊บหลังชาติเนี่ยถ้าเราได้ถ้าเราภาวนาเป็นแล้วนี่ได้สมาธิแล้วนี่ตายไปไม่ตกนรกเลยแต่ว่าชาติต่อไปจะตกอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้ แต่ว่าในชาติที่ปัจจุบันนี่รู้ได้เลยว่าผู้นั้นตายแล้วไม่ไปสู่อวัยภูมิมันไปนอย่างนั้นการทำสมาธินี่มันดีมันดีแก่เรานั่นแหละมันดีมากเลยแหละถ้าสมาธิเรามีกำลังกว่านั้นมักผล ก็เกิดขึ้นได้เอาจิตเป็นสมาธินั่นแหละไปพิจารณาร่างกายมันจะเข้าไปในฌานถอยออกถอยเข้าถอยออกอยู่จะเป็นฌานก็ไม่เป็นเต็มที่เป็นอุปจาระก็ไม่เป็นอุปจาระเต็มที่ถอยออกถอยเข้าถอยเข้ า, ถ อ, ขาถอยออกเอาตัวนั้นแหละมาพยายาิจารณาเอาตัวระหว่างที่มันสงบบ้างไม่สงบบ้างสงบลึกสงบซื้อ น, นั่นเอาตัวนั้นแหละพยยิจารณา พอพิจารณาตรงนั้นนะหินก็วางเลยวางความยึดถือเลยพอวางปับ๊บมันลกลายเป็นรู้มรรคแต่ถ้าจะให้มันดีต้องพยายามฝึกสมาธินี่ให้มันถึง อ, อับปนาสมาธิเต็มที่แต่ว่าไม่มีใครทำได้ในส่วนที่ว่าจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้มันเป็นของมันเองเรากำหนดสมาธิอยู่นี่แหละ สมาธิอุปจาราเนี่ยหละมันนิ่งมันวางมันก็วางลงไปเลยขันห้าของเราหรือว่าตัวตนของเราเนี่ทั้งกายทั้งใจนี่เป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนทนอยู่ไม่ได้มันต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เรารู้เห็นชัดเจนในใจของเราเราก็วางได้หมดเลยวางอารมณ์เหล่านั้นได้หมดเลยเนื้อจะรู้อย่างเดียวใจเราสบายมากถ้าออกจากอารมณ์นั้นแล้ว สบายปลอดโปร่งมองอะไรทะลุไปหมดเห็นเป็นอะไรเป็นธรรมมดเลยอ๋ออันนี้ก็ธรรมะอันนี้ก็ธรรมะเห็นไปหมดไปหมดเลยใจเราก็เป็นสูกเรือร้นนะนี่แหละผู้ที่ปฏิบัติยังไม่ถึงก็อยากได้แต่ผู้ถึงแล้วก็อยากให้มันอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิม อันนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเหมือนกันถ้าเราทำติดต่อกันไปเรื่อยมันก็ไปของมันเรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดเราเลิกเราประมาทเราดูถูกดูมินหรือว่าเห็นว่าไม่สมไม่ควรอะไรต่างๆไม่เหมาะไม่ควรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้เป็นอย่างเดิมได้ พอเราประมาทเราเมัวเมาเราหลงเราไม่ทํำบ่อยๆถ้าเราทํำบ่อยๆมันก็เป็นไปข้ามันเองมันก็ดีข้ามันเองอันนี้อยากให้มันดีเท่าไหร่เราก็ทําไปอย่างนั้นแหะทำไปอยู่เรื่อยทําไปอยู่เสมอเสมอมันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในใจของเรานี่แหละมันก็เลื่อนขึ้นไปจาก สมาธิสั้นสูงแล้วก็มีมากมีผลเกิดขึ้นพอมีมากมีผลเกิดขึ้นก็คือได้เป็นโทนดาสกาิทาคาอนาคาอรหันมันก็ได้พวกนี้ขึ้นมาในใจคุณธรรมกิเลสที่มาควบคุมใจให้ตกต่ำข้องอยู่ในภพในชาติซึ่งเรียกว่าสังโยชน์ก็หลุดไปจากใจของพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันสังโยชน์สิบนี้ก่อน เมือนเอาไหว้มัดขาช้างไว้นะ่ะช้างก็ทําด้วยกําลังของมันมันเกิดเอาให้ฝหวายหลุบทออกจากขาได้ขาดออกไปได้ก็เหมือนเราเนะนี่ยหนีจากภพจากชาติจากความเวียนว่ายใจเกิดได้หนีจากหรือเหมือนนกที่อยู่ในตะข่ายหาทางรอดออกได้นั่นละ่ะเป็นสวัสดิภาพของเราแล้วเราไม่ตกตามหินเรียบรนี้ เราเป็นพระโสราวันเราเป็นพระศษกิจาคามีเป็นพระนาคามีเป็นพระหล า, าเ น, รนเราสามารถทำลระกิจของเราให้บริเลยสุดได้อันนีงว่าโอปั ญ, ญิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตนเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายควรน้อมเข้ามาใส่ตนว่าเราจะต้องเกิดแก่เก็บตายอย่างนี้เหมือนกันเราจะไม่เป็นอย่างอื่นไม่ว่าดีว่าชั่วยอย่างไรก็ตาม นี่เกิดแก่เข็บตายเหมือนกันมดมีเกิดมีแก่มีตายพระพุทธเจ้าสอนเลยแต่เราก็เพิ่มมาเจ็บเข้ามาอีกด้วยแต่ที่จริงเก็บมันก็เก็บทุกส่วนนั่นแหละมันเก็บกายวาจาใจของเรานี่ถ้าถึงแล้วก็บรรจอย่างเดียวนะวรรลุใจอย่างเดียวเข้าถึงใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละไปพระนิพพาน ส่วนกายนี่ก็ไปสู่ป่าช้าเขาเผาทิ้งไปไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดแล้วนี่แหละขอให้พิจารณาอย่างนี้การปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเฉยๆนั่งดูนั่นดูนี่ดูลมดูมันต้องมีสติด้วยมันต้องมีสติด้วยมันต้องมีสมาธิด้วยมันต้องมีปัญญาด้วย มันถึงจะหลุดพ้นจากกองทุกขอันนี้ได้ต้องพิจารณาด้วยถ้าเราเอาแต่สมาธิอย่างเดียวเข้า่สมาธิอย่างเดียวมันก็เหมือนกัย่ำอยู่กับที่เดินอยู่กับที่ไม่ไม่ก้าวขาไปที่อื่นให้เราก็ลองหัดพิจารณาแยกแยะว่าเออตัวตนของเรานี้ประกอบด้วยธาตุสี่มีอะไรบ้าง ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเรานี่เป็นธาตุสีนะเป็นธาตุดินธาตุน้ํนาธาตุาาลมธาตุไฟเราพิจารณาธาตุดินพิจารณาธาตุน้ําพิจารณาธาตุลมพิจารณาธาตุไฟว่ามันเป็นยังไงในตัวเราเนี่ส่วนประกอบต่างๆในตัวเราเนี่ที่พระพุทธองค์ทรง ส, งสอนไว้ก็มีมาก แต่ตาก็ไม่สามารถที่จะนำมาอธิบายได้ทั้งหมดเรอธิบายเท่าที่พอจะอธิบายให้ฟังได้แล้วขอให้ทำสามสามนี้คือกําหนดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้เช่นกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้แล้วก็พยายามดูลมหายใจเข้าออกอลมเข้าเราก็ตะลมเข้าแล้วไม่ออกตายออกแล้วไม่เข้าตาย เราพิจารณาแค่นี้จิตของเราก็วางลงไปวางลงไปไม่ยึดไม่ถือไม่สําคัญว่านั่นหมายโอ้แท้ที่จริงเป็นอย่างนี้เองเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็แตกสลายไปคือขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปอืมเราพิจารณาเห็นเท่านี้แหละใจเราก็วางได้ถ้าเราพิจารณาข้ออื่นต่อไปอีกพิจารณาดินพิจารณ้ำพิจารณาลมารณาไฟพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกขเป็นหน้าตาชัดเจนลงไปในตัวของเรานี้ เท่านั้นเนี่ยเราก็วางได้หมดวางปุ๊บโลกธาตุนี่วันไว้เลยเออวางลงไปหมดกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายที่มีอยู่ก็ล่วงล้นไปหมดจากใจนั้นใจนั่น ก, ก็ถึงความบริสุทธิ์พองใสแท้จริงไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่อีกเลยเพราะใจบริสุทธิ์เต็มที่แล้วใจจะบริสุทธิ์ก็คือการปฏิบัตินี่แหละปฏิบัติตามคำสั่งพระพุทธเจ้านั่นแหละใจก็จะบริสุทธิ์ได้ เมื่อใจบริสุทธิ์แล้วเราจะเรียกว่าผ้าอรหันต์ก็ได้เรียกอะไรก็ได้แล้วถึงจะพูดกันใจเราบริสุทธิ์มีหลายขั้นตั้งแต่บริสุทธิ์ตั้งแต่ขั้นโซดาตังแตสกิทาขั้นอนาคาสังโยชน์ก็หลุดไปห้าแล้วก็เหลือแต่เออต่อไปอีกก็อรหันต์สังโยชน์สิบก็ละได้หมด อ, อวางได้หมดสังโยชน์สีก็หมดไปจากใจของเรา เราก็กลายเป็นพระริยโบคลชั้นสูงในพุทธศาสนาธรรมมาเกิดขึ้นในใจความสุขเกิดขึ้นในใจความพ้นทุกข์ของเรามีแล้วถึงแล้วสิ้นแล้วสัตย์เลียนไ้วยตายเกิดนี้ไม่มีอีกแล้วเราก็สบายนิพพานังปรารามังสู่ขังพระนิพพานเป็นถูกอย่างยิ่งใครถึงพระนิพพานคนนั้นก็จะเห็นถูกอย่างยิ่ง คนจะถึงว่านิพพานได้ต้องมาหาัศกินให้สงบเสียก่อนหัดกินให้สงบแล้วจึงปฏิบัติต่อไปในขั้นต่างๆแล้วในที่สุดก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์ได้เป็นพระอรหันต์ผู้หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แหละขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งใจปฏิบัติให้รู้ว่าสมาธิมีอยู่สามขั้นเรียกว่าขั้นที่หนึ่งเรียณิกะสมาธิ สงบนิดหน่อยขั้นต่อไปก็อุปจลัสสมาธิสงบเกือบจะเป็นฌานแต่ยังไม่เป็นฌานสงบจนถึงฌานถึงสมาธิแน่นอนก็เรียกว่าอภปนาสมาธิอันนี้แต่งเอาไม่ได้มันเกิดของมันเองเราตั้งใจภาวนาอยู่เพียงว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่ไม่วันไหวไปที่อื่นไม่ ไม่ไม่สงบเต็มที่แล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านเต็มที่หน่อยหนึ่งกําลังมันพอมันกวางปับลงไปความสงบพอกันวางลงปับปับลงไปเป็นอัปปนาสมาธิเมื่อเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเราเมื่อจิตถอนจากสมาธิอันนี้แล้วก็เรายกร่างกายของเราขึ้นสู่การพิจารณาว่าตัวตนอันนี้ประกอบด้วยอะไรสิ่งที่จะให้เรายึดเราถือนี่มันมันยึดถือยังไงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะ ในที่สุดเราก็วางได้วางได้หมดก็เป็นพระอิปุคนในพุทธศาสนาไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราอยากถึงที่สุดก็ต้องทำดำเนินเบื้องต้นให้ดีแล้วมันก็ถึงสุดที่สุดเองไม่ว่าทำสมาธิให้เป็นให้มีให้เกิดขึ้นต่อไปมันก็ได้บรรู้มากคผลท่านเองสแสดงทามาก็เห็นว่าสมควรเกี่เวลา ขอยุติไว้เพียงเท่านี้และให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป